ให้ทำความเข้าใจในเรื่องคําว่าอาวิชากันให้ดีว่าในจํานวนสัจจะทั้งสี่อย่างนั้นน่ยการไม่รู้ในทุกคำว่าสัจจะทั้งสี่อย่างก็คือในทุกขะกัดสมุทัยสัจจะนิโรธาสัจจะและ้วมัทธะกัดนั้นเนี่ยพึงทราบโดยการไม่รู้ในทุกนั้นเน่ยหมายถึงต้องการจะอธิบายให้ฟังว่าอาวิชานั้นเน่ยที่เรียกว่าไม่รู้ในทุกนั้นเน่ะพึงทราบโดย เกิดสี่ประการนี้โดยการหยั่งลงภายในเพราะอาวิชานั้นตัวเขานับเนื่องในทุกขัสัจเขาเป็นสังขารใช่สังขารละขันธ์นับเนื่องในทุกขัสัจเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าตัวเขาเป็นทุกขัสัจไหมบอกใช่เป็นทุกขัสัจนับเนื่องในทุกขัสัจทั้งหมดก็จะพูดถึงในเรื่องของคําว่าในเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณอาวิชานี่เป็นสังขารละขันธ์ อยู่ในกลุ่มของอกุศลแธรรมเนะยอย่างลงภายในทุกตัวเขาเป็นทุกข์กริย์มันเองหนึ่งในจํานว น, นทุกขัตริสัเมื่อเป็นหนึ่งในจํานว น, นทุกขัตรนะิย์มันเป็นกิ่ที่ควรจะไปรอบรู้ไหมควรด้วจะรอบรู้ควรจะต้องไปรอบรู้ทุกข์กริย์โดยฐานะจะต้องรู้ว่ายาตาปริญญานี่ยต้องรู้จักโมหะเป็นอย่างดีนะเพราะสภาพของโมหะนี่ไม่ได้จิตเฉพาะแต่การอย่างลงภายในอย่างเดียวแท่นั้นนะ เขาไม่รู้ตัวเขาว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นทุกข์ใชนะ่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวทำให้วัฏฏะเนยาวนานเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นรากอย่างราษลงลึกเลยในบรรดากลรมของอริยสธรรธทมทั้งหลายโมหะนี่เป็นรากรากหนึ่งที่เหนียวแน่นมากนะอวิชามีเหนียวแน่นมากเป็นราษที่ลึกมากทั้ฉะ น, นั้นในฐานะเขาเป็นทุกขกัดด้วยและเขาเป็นรากของวัฏฏทุกข์ด้วยเขาเป็นศรีระของอะไร เป็นวัตตาศีสะกว่าไหมแต่คำว่าวัตตาศีสะกเนี่ยถามว่าถ้าเขาไม่โดนทําลายวัตตาเขาไม่พังวัตตาก็ยืนยาวอย่างนีอย่งเดีถ้าโมหะไม่ไม่โดนทําลายเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนรถรถไปอ่ะรถไปมันจะไปได้เพราะหัวจักใช่ไหมถ้าหัวจักมันยังมีอยู่เนี่ยมันไปมันเรื่อยเนี่ยเอาอะไรไปต่อไปเกาะมันมันลากขบวนไปเอามาเกาะทั้งหลังทั้ ด้านหลังมันก็ลากไปลากไปลากมามันลากไปในวัตฏะตามพบน้อยพบใหญ่มันเป็นอย่างนี้นี่คือการหยั่งลงุันหยั่งลงภายในอย่างนี้โดยที่ตั้งโดยที่ตั้งนั้นคืออะไรที่ตั้งนั้นโดยฐานเป็นนิสยะโดยนิสยาปัจจัยนะโดยการเป็นที่อาศัยโมหะเนเวลาจะเกิดขึ้นข้าวใยอะไรเกิดโมหะอหิริกะอนโนตปะอุทะจ่าเห็นไหมโลพาที่ขี่มาน่าโทสะอิสาเมชริยกุป บุคคลจะที่นันมีคาวิจิติชาถามว่าโมหะอาศัยสิ่งเหล่นี้นะอาศัยกุศลกิจไหมอาศัยไม่อาศัยได้ยังไงนะเขามีที่ตั้งเขามีฐานนะเขาเป็นอย่างดีแล้วไม่ใช่อาศัยเพียงแค่นี้นะยังอาศัยพวกไหนถักจักระธนาสัญญาเจตนาเอกราชตามนสิการชีวิตจริงจด้วยนะแล้วยังอาศัยอะไรอีกอวิตกวิจารไอทิโมกุริยาปีติขันท้าด้วย ฉะนั้นโมหะเนี่ยเขาอาศัยกลุ่มของสภาวธรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าเป็นกองบัญชาการของเขาเว้ขาอาศัยของเขาเขาเด้งใ้่เขาอาศัยเขาเด้งถ้าเขามีแค่โมหะอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเจริญพันได้ฮะเขาจะงอกเงยได้ไหมเขาจะทําให้วัแต่ทุกยาวนานได้ไหมเขาจะต้องมีที่ตั้งจะต้องมีฐานเขาเรียกว่ามีที่ไปบงการโดยบัญชาการอย่างนั้นเป็นต้น ดังนคำว่าที่ตั้งอย่างนั้นจะเรียกว่าโมหะต้องมีที่ตั้งโดยสถานะของอารมณ์อโมหะเนี่ยปกติดอดีตดเดิน ไ, ไม่รู้ขนันอายตนะธาตุในอดีตย่ ง, งปกติหมดเลยไม่รู้ความเป็นไปของขนันอายตนะธาตุในอนาคตไม่รู้ปฏิจจจกสมุบาทคือไม่รู้อะไรอ่ะอวิชชาเขาไม่รู้จักอวิชชานะเขารู้จักโดยฐานะเขาเป็นอวิชชาแต่ไม่รู้จักว่าเขาจะออกจากตัวเองอย่างไง เขารู้จักสังขารนี่ยเขาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเด็กเขาไม่รู้จักสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดชรายาตนาลองตามไปดูในในหน้าหกร้อสอวิชาเนี่ยไม่รู้กรรมไม่รู้อาหารไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ชราโมนะไม่รู้ชาตไม่รู้เพราะวาวระไม่รู้ภาทานวาระไม่รู้ตัณหาไม่รู้เวทนาภาษาชรายาตนะนามรูปวิญญาณสังขาร อาเพาะว่าเขาไม่รู้เนี่ยคือเขาไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเขาติดเนี่ยอวิุชาจะติดอย่เขาไม่รู้โดยฐานะของอารมณ์อยู่เขาติดอดีตอานาคตแล้วก็ปัจจุบันภายในภายนอกเนี่ยเขติดหมดเลยมีเป็นอย่างนี้โดยโดยอารมณ์เนี่ยเป็นลักษณะเช่นนี้ในลักษณะอย่างยกระย่างเช่นว่าพีระนาโถเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ันห้าเนี่ยเราเล่าร้อนมากอวิยชาไม่รู้อุย เ, ย, เย็นเนี่ยอุ้ชาอุ้เย็น มีรูปมีกายมีร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันเย็นแน่หวังเงี้ยมันไม่ยอมติดทำไม่เห็นว่าจริงๆสภาพมันเล่าร้อนไงอีกอย่างหนึ่งไอ้สังคตตะโถเนี่ยมีปัจจัยไปชุมปุงแตงโอ้ไม่มีปัจจัยปุงแตงว่าเกิดจากกรรมนะเกิดจากจิตนะเกิดจากอุตูานะเกิดจากอาหารนะว่างี้เนี่ยเป็นหล่งของกองทุกข์ทั้งปวงนะว่างี้เนี่ยเขาก็บอกไม่จริงนะไปชุมปุงแตงมาก็ได้แต่สุขล้วนๆแล้วก็ เร่าร้อนเนาะสันตาป่า น, นี่ยแล้วเร่าร้อนเนาะโสมวิปรินา ม, มาเปลี่ยนแปลงออกย่างยืนมันจะปกติอย่างนี้ก็ปกปกติทุกเนี่ยลักษณะการไม่รู้ทุกนี่ไหมถามว่าไม่รู้ทุกกับสมุ ท, ทยมัยด้วยไหไม่รู้ด้วยเห็ไหวมว่าโมหะเป็นที่ตั้งของเขาเหมือน่างเป็นฐานเป็นที่เกิดร่วมกันกับเขาตัณหาตัณหาเป็นฐานเป็นที่เกิดร่วม ก, ก, กันกับเขาแต่เขาบอกว่าตัณหานีประมวลมาเนาะ ประมวลกองทุกมาให้ฮนะอวิชชาไม่รู้ปัญหาเป็นตัวประมวลตาหูจมูกลิ้นกายมาให้แต่อวิชชาบอกไม่ไม่รู้ตามความจริงจริงแล้วก็ประมวลสิ่งดื้อมาให้ทางนั้นเนี่ยประมวลสิ่งดีๆมาให้ทางนั้นแต่จะประมวลครบมาให้เนี่ยเขาจะตีถูกรางวันที่หนึ่งเพราะว่าไม่ดีอะไรถึงมันจะเจ็บปวดบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย น, น, นี่นี่เพราะอะไรไม่รู้จัก คือไปเข้าใจสิ่งที่มันไม่ดีไม่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเลยอวิชานะมันติดขนาดนั้นหนึ่งถ้าไปดูอีกจุดหนึ่งในเรื่องของ อ, อวิชามันจะดูในจุด ข, ของคําว่าคําว่าไม่รู้เนี่ยยกันในเรื่องของคำว่าประทัดฐานประทัดฐานหมายถึงเหตุที่เป็นประทัดฐานของธรรมถามว่าอาวิชามันมีอะไรเป็นประทัดฐานมีอาสวาเสียเป็นประทัดฐานเห็นไหมนี่เป็นเหตุนั่นเอง ก็ต้องบอกว่าอาสวะสีเนี่ยเป็นประภัสฐานของอวิชชาและอวิชชาเราเป็นประภ cool ัฐานของอะไรอวิชชาเป็นประภัสฐานของสังขารสังขารเป็นประภัฐานของวิญญาณวิญญาณก็เป็นประภัฐานของนามรูปนามรูปก็เป็นประภัสฐานของอายะตนะตะรายะตนะก็เป็นประภัฐานของขัตสัตว์ขัตสัเป็นประภัสฐานของเวทนาก็เป็นประภัสฐานของ ตันหาเป็นประธาตุฐานขออะไรอุปาทานอุปาทานเป็นประธาฐานของภพนั่นเองทวาหรือภพนี่เป็นประธาฐานของชาติจะเป็นประธาฐานของขราแลเมรณะพรามรณะที่จริงกรโศกการปฏิเทวาทุกขโทมนาสะอุปาญาตินั่นเป็นมีมีชาตนั่นเลยเป็นประธาฐานอย่างนี้ฉะนั้นการไปเป็นพระธาฐานด้วยเหตุมันเป็นมาในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นอาสวะคือย่น่ะถามพระและอาสวะอะไร มีไรเป็นประธ า, านเนี่ยก็มีตัณหาอุปาทานที่ยังรักไม่ได้นั่นแหละเป็นประธ า, านเนียเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าหมุนอวิชชาสังขานยืนวยา น, นามรูปสารา ย, ยตนะผักสะขึ้นไปจนถึงอุปาญาต์เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับการที่เราลงจากต้นไม้อย่างนี้เขาไล่อย่างไงเราถ้ออาอวิชชาแล้วไล่ขึ้นไปเหมือนลงอยู่ต้นไมน้นะขึ้นไปสุดยอดแล้วก็เดิลงมาเหมือนลงการพิจารณาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย เหมือนขึ้นด้านไม้ลงด้านไม้เริ่มจนทำงานเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าอ้ยทุกจริงๆโอ้ยเ่องวะเ่งลำบากอยงเป็นอย่างนี้เลยให้เข้าใจอย่างนี้ก็เหมือนอย่างนี้ก็เหมือนนี่บอกว่ากุศลเนี่ยยนยิ่โสมนันกามัเป็นปัจจัยกกุศลได้นหเป็นเป็นปัจจัยเกกุศลได้ไมได้ทไมชนิดน้การพิารณาโดยอุบายแยกทายเนี่ยมีย่างนี้ไหม ฉะนั้นโดยการที่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมุทัยเป็นต้นนั่นไอตัวประมวลมาคือตัวตันหานี่แหละเป็นตัวประมวลมาประมวลอะไรมาให้ก็อบอกว่าประมวลทุกมาให้ดันเองอ่งนั้นเ่ยได้แก่ว่าตับทั้งปวงเนี่ยนะถูกตันหานั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวประมวลพระท่านพระเจ้าจตรัส บ, บอกว่าลักษณะงการประมวลอะไรมาให้ก็ประมวลทุกตันหานั้นเป็นเหตุ ด, ด้วย ประกอบสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพด้วยเป็นกังวลด้วยสลิโพธายลักษณะเช่นนั้นเ่าจึงบอกว่าความไม่อรู้ในสมุทยถพิงรู้โดยเหตุสามประการนะที่โดยฐานนะปัญหาก็มีฐานเปีที่ตั้งก็งมีวิชาเป็นต้นนั่นแหละโดยอารมณ์สภาพของปัญหาก็เวลาไปขาดติดอะไรก็รับอะไรเป็นอารมณ์ก็ขาดติดในสิ่งนั้น โดยการปิดบังไว้เมื่อขาดติดในสิ่งนั้นก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงทีนี้ลักษณะของปัญหานี้ก็ห้ามการทางแทงตลอดลักษณะคือไม่เห็รู้ตามความเป็นจริงโดยลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของปรมัตารธรรมโดยความเป็นลูกเป็นนานเป็นต้นหรือทถ้าย์จา์เนี่ยปัญหาก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นว่าโอ้ทุกข์ษัตริย์จะเร่าร้อนนะทุกขศาศา์กัตริย์นะเปลี่ยนแปลงนะทุกข์ษัตริย์เนี่ยปรีดายนะนะเป็นต้นก็ไม่เห็นหรือว่า ไม่เห็นสมุทัยาาจากจ่าบอกว่าประมวลทุกมาให้นะทุกขจัจจานี้ประกอบเอสมุทยาาาัยกจ่ามีประกอบสาธวยให้ปิดอยู่ในภพบนื้ก็ไม่เห็ น, นลักษณะเช่นนี้เนียเขาเรียกว่าแล้วก็ไม่มอบให้ซึ่งยานคือไม่มอบปั ญ, ญญามาให้ความไม่รู้เนืไม่รอดและปดิภาณที่ทราบได้โดยเหตุเดียวเท่านั้นคือโดยการปิดบังไว้อวิชาก็ปิดบังเนะปัญหาก็ประกอบไว้ในลักษณะเช่นช น, ชนั้นมีเป็นอย่างนั้น ทีนี้เราไล่มาตามลําดับในสัจจะเราทั้งสองเห่านั้นที่บอกว่าเห็นได้ยากเพราะลึกซึ้งแต่ในเรื่องนี้ความไม่รู้ไม่ใช่มืดบอดจริงตนไปส่วนสัจจะข้อต้นลึกซึ้งเพราะลักษณะของสภาวะนั้นเห็นได้ยากโดยความหมายว่าเป็นข้าศิก ก, กันจริงเต็มไปด้วยความวิตราทก็ให้เข้าใจว่าเวลาโมหะมันปกติเนี่ยวิตราทเนี่ยความเห็นว่างามบ้าง เห็นว่าเที่ยงบ้างเห็นว่าสุกบ้างเห็นว่าเป็นอัตตาบ้างอล่านี้ก็เป็นตัวปกติหนึ่งตรงนี้คงไม่สงสัยอะไรกันนะไม่สงสัยอะไรทีนี้ก็ถามบอกว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าสแสดงในเรื่องของอวิชชาวาระจบลงแล้วนะก็บอกว่าอริยส า, าวกรู้ชัดอวิชชาเหตุเกิดอวิชชาความดับไปแห่งอวิชชารู้ทัดไปพ่อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอวิชชาอย่างนี้เมื่อ นั้นเธอย่อมละราคานนสัสบรรเทาปฏิภาณหนูใสถอนทิถีมานะว่าเรามีออกละอวิชาได้โดยประาลทั้งปวงยังวิชาให้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้กระทำที่สุดถึงกองทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้หละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแคนได้มาสู่พระสัธรรมนี้ ทุกส่นเหล่านั้นก็พากันขื้นชมอนุโมทนาภาสิกของภาษาริบุตรแล้วก็บอกดีแล้วใต้เท้าแล้วก็จะกล่าวเปลี่ยนถามปัญหาสูงขึ้นไปกับท่านระษาริบุตรว่าใต้เท้าครับเหตุปริยายแม้อย่างอื่นยังคงมีอยู่อีกด้างไหมที่จะให้อริยส า, าวกเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครองแฉนได้มาสู่พระกัตธรรมนี้ ก็คือถามว่าระยะที่สูงขึ้นไปเอาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เคยสังเกดไหมว่าการฟังทำของพวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าพูดเร็วๆเนี่ยบางทีเราจะฟังไม่ค่อยทาไม่ค่อยเข้าใจในชะ่ก็พระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนีย่ยพรกองแสดงอาไรยังตีเลยเราพูดได้หนึ่งคำพระพุทธเจ้าจะกล่าวได้สิบกนั่นคือความรวดเร็วของ ของคาพูดของพระพูดมีพระพ่าจ้จก็ลองพิจารณาดูว่าเราจะต้องไปนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็จะต้องไปฟังนีทำเหมืน ต, ตั้งตั้งอัธยาศัยยังจะรีวตั้งตั้งอัธยาศัยดีแต่ฟังให้ทันยังคำเนะี้เราพูดคําเดียวเลยกล่ากล่าวได้ถึงหกคำเนี้ยเป็นไงแสดงว่ากล่าวเร็วมากใช่ไหพูดพูดเร็วมากแล้วก็เทล้อมาก <c oughs> ฉะนั้นในขณะที่ฟังเนี่ยเทวแวบเดียวนี่ยโไปขึ้ไหนแล้ว สิบหกคำนี้ตอนมีค่งำที่เรากล่าวกันนะี้ฉะนั้นเวลาไปเจอคําสอนของพระเจ้าถ้ากล่าวคนจ้ำไม่จะแปลกใจทําไมต้องกล่าวคำจาำทำ ไ, ไมอัธยาศัยของผู้ฟังที่มานั้นต่า ง, งมากเลยฉะนั้นคาที่เป็นไวยพสถ ท, ดทคำที่เหนี่ยงกันจึงกล่าวมามพร้อมๆกันมากนละเพราะพระเจ้ากล่าวตามอัธยาศัยอย่นีคือคนคนนี้มีอัธยาศัยที่จะฟังเรื่องอะไรแล้วเข้าใจพระองค์เนี่ยกล่าวในเะรื่อง ถ้าท่านู้นั้นก็จะเข้าใจฟังแต่ถ้าเราฟังไม่ทมันเลยคือไแต่ถ้าคนที่สร้างสร้างเหตุปัจจัยไปดีหนูฟังจะเกิดการทราบซึ้งมนพระธรรมฟังทำเร็วๆ่าเปลี่ๆๆยบแบบถ้าพูดช้าแลว้วไ่อื้อธรรถ้าเร็วๆแลไม่ทันไม่ฟังท น, นดีเลยม น, นีย ท่านภาษารีบทจะตอบว่ายังคงมีอยู่คุณแล้วก็ได้กล่าวว่าคุณด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดอาสวะเหตเกิดอาสวะความดับแห่งอาสวะรู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปแห่งอาสวะเพียงเท่านี้คุณอริยาสาวกที่ว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบ ด, ด้วยความเรื่มใสในธรรมไม่คอนแทลมาสู่พระสัธรรมนี้ นี่เป็นการกล่าวอริยรนะสัพเป็นเนาะกล่าวเรียจากสี่ที่กล่าวทุกสมุทัยนิโรอแล้วก็มาข้อความจากตรงนี้ดูรู้ไหมว่าอะไรเป็นทุกขสัตว์นี่ที่อ่านในหน้าที่ห้าร้อยสามสิบเก้าอะไรเป็นทุกขสัตย์สาวกเป็นผู้มีความเหนถูกต้องมีความเหนื่อยลกถามว่าถามว่าด้วยเรียสาวกรู้ชัดอะไรรู้ชัดอาสาวะอาสาวะเป็นอะไรเป็นทุกขสัตริย์เนาะเพื่อเกิดอาสาวะนิ่เปน สมุทัยกัจจะความดับไปแห่งอาสวะนิโรธแทสัจจะรู้ทัดข้อปฏิบททับาานน ต, าาาติหตหตาาาาให้เข้าถึงความดับไปแห่งอาสวะอันนี้รู้มาสัจนี้มีกล่าวอริยสัจโดยย่อถามว่าอริยอาสวะคืออะไรเราคุณเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับไปแห่งอาสวะข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปแห่งอาสวะคืออะไรพวกเราเนี่ต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญนะฟังอริยสัจมามา่าจริงๆนะเนี่ย ไม่เคยฟังอริยะจัดมากขนา ด, ดนะี้1กวาละวาระละวาระละสองครั้งนะเนี่ยแสดงว่าเราจะฟังอริยะจัดสี่ถึง32วาระ32ครั้งนะถ้าไม่เคฟังจะเทียนหน้าคิดหน่วยหนะน้าคิดมากบอกโอ้โหนั่นดีจริงเนะลยบอกขนาดฟัง32ครั้งติดต่อกันฟังจนปวดเมื่ อ, หอยหมดเลยไม่เจะเทียนเลย หม่การจะทนจริงดีจะทำวัฏฏานี้ให้ยาวนานนี้เชื่อแล้วว่าไ้มตอบว่าคุณอาสวะมีสามเหล่านี้คือตามมาสวะเครื่องดองสันดานคือสามทวารสวัสดีเครื่องดองสันดานคือครบอวิชาสวาัสดีเครื่องดองสันดานคืออวิช า, า, า, า, าเพราะอาวิชาเกิดอาสวะจึงเกิดเพราะอาวิชาดับอาสวะจึงดับอริยมัติมีองศาเท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปแห่งอวิชา สัมมาทิิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมปะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อใดแลคุณเนริยะสาวกรู้ทัดอาสวะอย่างนี้บอกรู้ทัดอาสวะอย่างนี้บอกรู้จับอาสวะโดยความเป็นทุกข์อย่างนี้โดยความเป็นทุกข์เป็นยังไงเป็นทุกข์เป็นยังไงตีรณะนาบนบอกเร่าร้อนเนี่ยเห็นเป็นทุกข์อย่างเนี้ยสันตาปะบอกว่าอะไรสันตาปะเนี่ยบอกเร่าร้อน ตีระนาดเบียดเบียนหนึ่งเบียดเบียนแล้วก็สังขตะบอกอันตั้งใจชมไปชมฟงแต่งนะแล้วก็บอกว่าวิปรินามาบวกเปรี่ยนแปงอยู่ตลอดเวลาน่ยเห็นอาชวะอยู่อย่างนี้บอกโอ้ยร่าร้อนมากเบียดเบียนมากแล้วก็ชมไปุมปุงแต่งมันปฟงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจปุงแต่งครบ ปูงแต่งขันปุงแต่งอายต น, นะปุงแต่งกองทุกข์มอกมาอะไรแนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยเมื่อรู้ชัดอาสวะอย่างนี้เหตเกิดของความอาสวะเหตุเกิดอาสวะบอกรู้ชัดเหตุเกิดอาสวะรู้ยังไงบอกว่าเป็นเหตุเนาะเป็นเหตุตัวตั้นหานี่เป็นเหตุของกองทุกข์ทั้งปวงประกอบสตัดไว้ให้ติดอยู่ในทบติดอยู่ในขันนะแล้วก็บอกอะไร เป็นกังวลน่ะให้บอกเป็นกังวลนี่ยขนาดนีสมุทัยจะเป็นกังวลนี่เป็นปริโพศยังไงบอกเป็นปริโพศยังไงกิเลสการเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะติดข้องในวัตถุการมนะโฉมานี่็กังวลไม่รู้จะกังวลยังไงแล้วเนี่ยสารพัดจะกังวลนั่งนั่งยกลึกโลกลึกเลยนะจิตใจก็กังวลนู่นกังวลนี้เนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยความดับไปแห่งอาสวะถ้ารู้ทัศจะถือต้องรู้ยังไง ต้องรู้บอกเมื่อไหรจะสำลกักหรือลื้อตนออกได้ก็คือเมื่อไหรจะลี้อจะออกจากขันได้ก็คือเมื่อไหรจะออกจากห้องขังจะออกจากคุกจะออกจากตารางนี้ได้ก็คือ ถ, ถ้าหากว่าดับได้ก็คือไม่ต้องกังวลดับได้ก็ไม่ต้องมีปัจจัยไปชุมุงแต่งอย่างนี้วันนี้ยังดับไม่ได้ไปชมพงแต่งไม่ไล้แล้วก็บอกว่าคือไม่ตายถ้าดับได้ก็จะไม่ตายเป็นอมตะเ็นหน้าเบือนกันนี้ เกิดมาเพื่อจะตายเนี่ยนะจะเรีกจะไปไหนจะไปถูกจะไปให้คราฆ่าบอกเกิดมาทำไรเกิดมาเพื่อจะให้เขาทําทไมต้องมีตาเพื่อที่ตาจะบอกทําไมต้องมีหูเพื่อหูจะได้หนวมีอะไรแปลกๆเนีมีสิ่งที่มันจะต้องวิบัติบอกทําใจได้เพื่อแตเไม่รูทําใจได้ คิดตื้อไปจริงๆแล้วบอกก็ยังดีไอ้ตรงเนี่ยเสียหายเราก็เล่าํานว่านี่ยอย่างนี้ว่าอวิชฐานนะอวิชฐาไม่รู้อ่ะไม่รู้จนจนไปสัลเสซ่นสิ่งที่ไม่ดีที่ว่าดีก็เกิดได้สิ่งที่ไม่มีสาระไปสัลเสซ่นแล้วมีสาระบางทีพยายามไปเข้าข้างนะลองสังเกตนะเวลาอาวิชฐามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าข้างนิดๆดีนะเอ๊ะเขาเสือต้องหลายอย่างเกจดตรงนั้นดีนะกู มิม่งมองอกูจะได้ทำเป็นความดีก็ไปมองโลภะดีแล้วก็เสียแล้วเมื่อแล้วก็รู้ทัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไปแห่งอวิชชาถ้ารู้ทัดข้อปฏิบัติเนี่ยรู้ยังไงนําออกจากภพมรรคกาสตร์มษาษาีตัวนําออกจากภพเนียเนี่ยลักษณะรู้ทัดว่าเออถ้าหายเจริญเน่ะเรียมากนี่จะเป็นเหตุเนี่ยจะเป็นเหตุทำให้เข้าถึงพระนิทานเนีจะเป็นปัจจัยที่นําให้ออกจากภบ แลวในที่สุดจริงๆก็คือจะ้สำแดงออกแล้วก็มีความเป็นใหญ่ด้วยรู้ทัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับตายอาสวะอย่างนี้เมื่อ น, นั้นเธอก็จะละราคาในิสัยบรรทัพปฏิคาในิสัยถอนอ่ะในนสัยคือทิพย์มาแน่ว่าเรามีออกล่าวิชาได้โดย ก, การทั้งพวงยังวิชาเคาลียร์มะให้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคุณอริยาสาวกที่ว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คลอนแขนได้มาสู่พระจัดฐานนี้ที่จริงภาษากันภาษารืบุตร์กเพียงเท่านี้แล้วบุคคลได้บรรลุกันเยอะเลยคิดส่วนเหล่านั้นจบแล้วก็พากันพอใจชื่นชมภาสิด ข, ของท่านภาษารืบุตร ฉะนั้นในการด้วยกำหนดบรรทุกธาร ม, มรณนะอุปาทานธารยตนะเป็นต้นจนถึงอาสวะเนี่ยรวมเป็นห้าซึ่งพระสาริบุตรกล่าวเป็นอย่างไรเราคุณหกอย่างก็คือได้กล่าว ไ, ไว้แล้วสี่อย่างคืออะไรได้กล่าวไว้แล้วห้าอย่างคืออะไรได้กล่าวรวมเป็น 15, สิบห้าบทสําหรับทั้งถามทั้งมวลทั้งนี้และกล่าวไว้สิบห้าที่จริงเท่าไหร่สิบหกวาระนะกล่าวเป็นสิบหกวาระ ทีนี้โดยทำความเข้าใจในเรื่องคําว่าอาสวะอาสวะคำนึงโดยตรงนี้ท่านแปลดีนะท่านใช้คําว่าเครื่องดองฉันดานอาสวะเนี่ยเพราะอาสวะนี่สิ่งที่หมักดองอยู่นานเลนะท่านเลยเอาคําคํานั้นมาแปลว่าเป็นเครื่องดองเป็นเครื่องดองฉันดานคือกามแม่เรียกอย่างนั้นไหมดองฉันดานฉันตานนะนั่นจะไปหมายความว่าเป็นสิ่งอะไรคือทิ้ง เป็นเครื่องดองเครื่องหมักในการสืบต่อคําว่าดองในที่นี้เป็นเป็นชื่อของสุราเนะีสิ่งที่ถูกหมักดองไว้นานๆสามารถทําให้ผู้ที่ดื่มเกิดอาการ ม, มึนเมาแล้วก็ขาดสติได้นั่นแหละลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกก็เป็นชื่อของสุราเพรที่จริงก็คือว่าสภาพ ธ, ธรรมมันเป็นที่หมักดองหมักดองอะไรการสืบต่อ สืบต่อของอะไรสืบต่อกันทของขันของรูปเวทนาขัญญาสันขันแล้วก็วินญาณนี่แหละการสืบต่อกันอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นตัวหมักดองมันทำให้หมักดองอยู่ได้นานๆนี่แลักษณะอย่างนั้นก็คือชื่อของอาสวะอาสวะนี่ได้แก่อะไรบ้างสภาพพันธุ์ของเขาก็คือโลภะพิถีโมหะทั้งสามประการนเนี้นะเขาเรียกว่าบางครัง้งเราก็ตกอยู่ในอำนาจของโลภะบ้างพิถีบ้างและโมหะบ้างเไงเนะ ที่จึิงคําว่าอาสวะเนี่ยคำว่าอาก็แปลว่าวัฏจักรเพราะวัฏจักรอันยาวนานไม่มีกำหนดแต่คำว่าสวะสวะในที่นั้นเป็ชื่อของความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นอาสวะก็คือว่าความเจริญรุ่งเรืองของวัฏจักความเจริญรุ่งเรืองของตาความเจริญรุ่งเรืองของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจความเจริญรุ่งเรืองของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนั้นไหม รูปนามกายกับใจจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องอาศัยอาสวะนี้เป็นตัวหมักดองฟังอย่างนี้ดีนะบอกวุฒิศาสธนาที่จะทําให้รูปนามเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้หรือยืนยาวได้ก็ต้องอาศัยอาสวะฉะนั้นอาสวะนี้เป็นชื่อของการหมักดองอาสวะนี่จะเจริญรุ่งเรืองได้ก็อาศาาัยสุขเทติวัตตะทุกจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็มีตัวอาสวะนี่แะเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวทําให้ จเจริญรุ่งเรืองแล้วกําหนดภบธาติได้ไหมกำหนดได้ไม่ได้กําหนดไม่ได้เลยวัดแต่ทุกยาวนานจเจริญรุ่งเรืองเช่นนั้นลักษณะขึ้นนั้นจึงเรียกว่าอาชาวะก็คือโลภะที่ถีแล้วก็โมหะนี่แหละเกี่ยวในเรื่องของอาชาวะเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลามันจะไหลเนี่ยถ้าพูดโดยภูมิเนี่ยมันไหลไปถึงภูมิไหนไหลไปทุกภูมิไหมถ้าว่าโดยภูมินีนไหลไปหมดทุกภูมิไหมเขาบอกภาวะกับภูมิถ้าปุตุชนภาวะค่านี่ถึงไหนหรู้ไหม ผู้ดุชนพวัะ ก, ก็นับเอาที่เวหาพลาภูมิถ้าผนะูุดุชนเนึ่ยสูงสุดได้ได้ใช่ไหมเหนี่ยเวหาพลาเนี่ยเขาเรียกว่าอาสวะก็ไหลไดดโด ย, ลยได้ถ้าพูดโดยสัพพะพวักะก็นูนไหลไปถึงเมว่าสัญญาณนาะสัญญาเยชนภพมันถึมองตา ม, ม, มเลยไปดูพกพึงสูงสุดไหมเมื่อว่าเนี่ยสูงสุดถ้าได้ในภูมิไหนเมว่าสัญญาณนาะสัญญาเยชนะภูมิ หนีไปไม่ได้หนีไปไหนตามไปหมดเลยนะตามไปหมดอยู่นู้นโลภะทิฏฐิแล้วก็โมหะตามไปนี้นถ้าว่าโดยภูมิอย่างหนึ่งยอดภูมิของพระริยะอาียาภวาาะะอสจิษฐาภพภะของพระนาคาชั้นสูงสุดเนี้ขนาดเป็นพระนาคาและอาสวะย่างตามไปเลยอวิชชาและโลภะดูสิเนะี่ยพระนาคาเนี่ยยังมีโลภะอยู่ไหมีโมหะอยู่ไหม ยังมีโมหะอยู่เห็นไหมก็ตามไปอยู่นั่นแหละโอ้โหน่ากลัวจริงนะที่พูดถึงว่าน่ากลัวตามไม่ห น, น, นีไม่พ้นไงเขตามติดติดติดเลยมี่เขาเรียกว่าเดชภูมิถ้าว่าโดยองค์ว่าโดยธรรมะสมมติเราจะเจริญยุทธะภาวนานหนีลายไปเห็นนามว่าโลกปริเฉตอานปัจจายาปริจหายานส ม, มัชฌิายานตามลระดับไปเนี่นะเขาตามไปติดติดหมดแล้วอาสวะตามหมักนะตระาบใดที่ยัง ขนาดละได้เดีแบบไปทางเขาประหารอยู่นี่นะเขาเขาตามได้หนะมดเลยใมที่เคยจริงตัดเขาไม่ขาดใช่ไหมันเหมือนบอกว่าเราเลิกกันนะประเภทนั้นนะี่นะเนีแต่เขาลุ้มไม่ขาดเลยเพราะว่าเขาจะผาดแต่มันจะต้องมีมีสภาพที่หน้าตัวกว่านี้อันนี้มันตัดไม่ขาดเหมือนบางทีเราบอกว่าเอ้ยเราไม่ชอบคนนี้แล้วแล้วบอกว่าเราไม่ชอบใช่ไหมถ้ามันเปลี่ยนหน้ามาเนี่ยเราไม่รู้ในชะเลยชอบแต่กอเธอเปลี่ยนท็อปี เราบอกเฮ้ยเราเกลียดมากคนคนเนี้หน้าตายอย่างเนี้ยอจิตใจแบบนี้ว่างั้นไงนี่นนพอเปลี่ยนพบกลายเป็นจัตโจริญสารแบบจัตเจริญสานสกล า, ายเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์กลายเป็นเทวดาแต่เทวดากลายเป็นอะไรก็แล้วแต่เหรอที่เกิดจริงๆวะของไม่ชใช่สิล้ามันล้าไม่ได้หรอกเพราะยังมีกิเลสปัญหาอยู่ฉะนั้นถ้าใครจะรักเกียดแล้วก็บอกเขาพูดเลยนะบอกคณไี่เกลียดเราไม่นานแล้ว ใครจะรักเราเขาบอคุณก็รักเราไม่นานเลพราะคุณรักแบบราคารักแบราคารักแบบตัญหาโกรธแบบโทรศัพทเ่ยจะตกรธจะเปลียดก็โกรธเกลียดรนานหลานดำมาวัดกระทบนี้มีนิดเดียววัดจากขาหน้ายานานคุณจะไปชอบเราเม่อไหร่ก็นะแต่งนั้นก็สบายใจในคิดดึงเงี้ยนะใช้ชอบใช้ชง้เกียดก็ไเนี่ยถ้าคิดในรักขนาดอย่างนี้ยก็ไม่ไม่มีอะไร แต่งสจเอโอ๊ยพบนี้ก็มายานานม่้วจนไปที่ไหนคิดถึงวันนี้ที่ไร ท, ท, ทุกทุกทีก็ว่าไปเนี่ยลักษณะยนี้กเริ่อายอายเขมันไหลไปไหลไปถึงไหนไหลไปจนถึงโคตรภูจะข้ามอยู่แล้วโคตรภูนีจะเป็นชื่อของกุศลที่กําลังจะข้ามจะภูตุชนเป็นท่าระยะหนึ่งขนาดจิตเนี่ยจะเป็นท่าระยะแล้วก็แปลว่าขนาดจิตนี้ดับไปเมื่อไร่แล้วอีกขนาดจิตหนึ่ง ความเป็นโสดาบันจะเกิดขึ้นทันทีนั่นหละขนาดจิตที่ติดโสดาปริมักเนะี่ยยังเป็นขอบไข่ขอบเขลือของอาสวะอยู่อาสวะนี่ตามขนาดนั้นนะโซเฟียที่ในบรรดาสิ่งที่ตื้ที่สุดในโลกไม่มีใครเยอะแรงเท่ารันสวะไหลติดตามไปไนะั้นวิพูดถึงฐานะการไหลนะไหลตามนะไหลไหลตามใยฐานนะ เ, าเป็นาอารมณ์ก็เอาอารมณ์ก็เอา ไดออัธยาศัยนี่ยังล้าเขาไม่ได้เขาก็อย่ยังไม่ชื่อว่าล้าเขาโดยเด็ดขาดอีกขนาดจิตเดียวอ่ะเร็วรวดเร็วขนาดนั้นนะเขาบอกนิดเดียวก็ยังเขายังมีเนี่ยเป็นอธัธยาศัยของเขาอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ของเขาอยู่แต่ถ้าเลยจากนั้นไปแล้วาตามไม่ได้ถ้าโสดาวปริมากเกิดขึ้นมาแล้วก็แปลว่าโอ้โหโล่งดยอะทีแล้วก็อ๊หมดภาระหมดทันท้าเยอทีที่เราหนีมาเนี่ยหมดหนีจริงเรื่อง เรื่งการไิชื่นชมเรามีไปยไงมีคออ่อาชาวะนะท่านพระารีบุตรนีท่านกล่าวเกี่ยนเรื่องของภารณาอาสวะก็ไว้ในหน้าที่6 0ร้อยสามข้อที่ร้อยสามสิบ้าวินปิไยในอาสวะต่อไปอวิชชาในคบว่าอาวิชชาสมุทญานี้เป็นปัจจัยโดยสาชาแป่ปัจจัยจนต้น ของกามาสะวะและทวารสะวะในขณะที่อวิชชาคือโมหะเกิดขึ้นหนะึ่งโมหะเกิดขึ้นหนะึ่งเขาเป็นปัจจัยเกิดร่วม ก, กันกับกามาสะวะกามาสะวะในที่นั้นเป็นชื่อธรรมชาติที่เป็นเครื่องหมักดองคือไหลไปในกามาคุณท่าเนะไหลไปในกามาคุณนะั้นได้เกิดโลภะเจตสิกนั่นแหละชาติธาตของโละภะชาติธาตของโลภะนี่หลายชื่อนะอาสาก็ได้นะ อ า, าอาสากแปลความหวังนันทิคือแปลความเพื่อเพลินเอ่อแต่สัตว์โลกมีความเข้าใจโลภะต่างกันปัญหาต่างกันถ้าบางกลุ่มพูดคําว่าโลกเป็นอาสวะนี่เป็นเครื่องหมักดองเป็นเครื่องไหลโอ้เข้าใจบางกลุ่มบอกว่าต้องบอกว่านันทิคือความเพื่อเพลิน อ, อ, อ, อาสาคือความหวังหรือว่าความปรารถนาที่ถึงจะเข้าใจโลภะได้ดีแบบนี้ ถึงจะเข้าใจโลภาษ์ได้ดีสภาพของความเข้าใจต่างกันใช่ไหมไวยพสเนี่ยคาที่เป็นคาที่เหมือนกันแต่มีอัดอันเดียวนะอัดอันเดียวกันนั่นแหละแต่อัธยาศาัยของศัสตร์นั้นฟังในเรื่องเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยก็มีความเข้าใจแตกต่างกันไปอย่างเราคําว่าอาชว่าเราเข้าใจนหมแค่คาว่าโอค่าเนี่ยเป็นห่วงน้ำแล้วบอบ้าโอ้ยเป็นอกเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นห่วงน้ำเนี่ยสภาพของอ ปัญหาสภาพของโลภานี่เหมือนห่วงน้ำเนี่ยทำให้ศัตว์นั้นจมอยู่ในวัฏจักรเข้าใจไหมไม่เข้าใจหลายๆเข้าใจนะแต่พูดถึงว่าโยคะบอกเป็นเครื่องประกอบประกอบสัตร์ไว้ให้ติดอยู่ในวัฏจักรเหรอเข้าใจไหมเข้าใจนี้ยถ้าว่าอุต็นนิวรเป็นเครื่องกัน้นสายเรียนมาดีแต่สิ่งเหล่านี้นี่ยถามว่าเขาเกิดร่วมกันกับอวิชาคําว่าสหช า, าติปัจจัยเข้าใจไหมคือการเกิดพร้อมกัน บางครั้งไม่ใช่แค่สาชาแต่ปัจจัยอย่างเดียวนะเป็นกาชาตะนิตรยะด้วยนะเกิดพร้อมกันด้วยบนเท้าใสด้วยในชะ่ไหมยังมีอยู่ด้วยยังไม่ ป, ปราศจากไปด้วยและเป็นปัจจัยแห่งอวิชชาสวาโดยอุปนิสัยปัจจัยนั่นแหละอวิชชาในอดีตอวิชชาที่เกิดกันก่อนเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้กับอวิชชาสวะที่เกิดหลังๆลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอุปนิสัยปัจจัย โดยฐานะเป็นปะกตูปนิสยาปัจก็ยยได้หรือบางครั้งโดยฐานะเป็นอนันต์รูปนิสยาปัจัยอนันตรัตปัจสมอนันตรัต ป, ปั จ, ป จ, ปจก็ได้ท้กเกิดขึ้นติดต่อกันยอย่างยกตัวอย่างเช่นในชาวนะชาวนะหนึ่งเนี่ยยังถือในขณะที่โลภะชาวนะเกิดขึ้นในขณะนั้นเน่ะมีโมหนะเนี oh ่ยโมหะเป็นชาวนะในขณะที่โมห oh ะชาวนะเกิดขึ้นหรือโมหะจิตเกิดขึ้นใช่ไหม โอ้ท si so right ีน so hey so so ีโมหะที่เกิดในฌานดวงแรกเป็นปัจจัยเกิดฌานดวงที่สองโมหะในฌานดวงที่สองเป็นปัจจัยเกิดฌานดวงที่สามโมหะฌานดวงที่สามเป็นปัจจัยเกิดดวงที่สี่ดวงที่สี่เป็นปัจจัยเกิดดวงที่ห้าดวงที่ห้าเป็นปัจจัยเกิดดวงที่หกดวงที่หกเป็นปัจจัยเกิดดวงที่เจ็ดฌานจะเกิดขึ้นเกิดแต่ละครั้งในเจ็ดครั้งนี้นี่แปลว่าฌานที่บริบูรณ์แลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยสืบต่อกันให้มีกําลังยื่งยิ่งขึ้น ให้สังเกตถ้าหากว่าชทวนะดวงแรกเนะี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นต่าก็ส่งผลอยู่ในขอบข่ายในปัจจุบันมาพบนี้เท่านั้นถึงไมว้ว่าเขายังกําลังน้อยอยู่อ่างเงี้ยเพราะไม่ได้รับอาเสวนาะปัจจัยไม่รับปัจจัยจากดวงอื่นเลยแต่ถ้าหากก็เป็นโมหะดวงที่สองดิดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่ดว ง, งที่ห้าดวงที่หกดบโอโหส่งผลยาวนานเลย เล่นตั้งแต่พบทีสามเป็นต้นไปจนกว่าจะปรินิพานเนาะลองคิดดูที่กรรมประเภทนี้เพราะได้การได้รับการอุปการะจากดวงต้นๆมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ถ้าดวงสุดท้ายนะได้เฉพาะพบทีสามอาะทาไมได้เฉพาะได้พบทีสองเพราะว่าเขากำไม่สามารถทําให้ดวงอื่นเกิดขึ้นได้ก็วัดว่ากําลังก็น้อยลงแล้วถึงจะน้อยลงก็ยังดีกว่าดวงแรกดีกว่าดวงแรกเพราะดวงแรกนั้นต้องเกิดขึ้นเอง อาศัยจิตประเทศอืน่นเป็นตัวอาศัยวันั้ให้ซึ่งนี่ เ, เป็นปัจจัยให้แต่ถ้าดวงสุดท้ายเนะอาศัยพวกเดียวกันเองเราช่วยสนับสนุนนันเหมือนอย่างนี้นะดวงพิธีกรรมอะไรานารแต่ท้ายว่ายอดยติสนับสนุนให้เป็นใหญ่ต่อมายอดตายไปแล้วยอดตายหมดก็เลยส่งต่ออีกได้ไม่มากแต่จิดจะที่ว่าอันนี้ออกมาในะดวงสุดท้ายให้เฉพาะดวงสุดท้ายมันเป็นอย่างนั้น ถามเดี๋ยวนี <ter> m m like er ้ทำไมมีเยอะแค่นี้ยากที่เป็นใหญ่กระเทือนไปแล้วเลยปอดได้แค่นี้เลยเนาะเลยปอได้แค่เป็นอย่างนั้นนะลักษณะของต่ำก็เป็นอย่างนี้นี่มองเห็นยังว่าอาสวะนี่เป็นเช่นนี้นี่ลักษณะของอาสวะเป็นอย่างนี้เะนั้นอวิชชาที่เกิดหลังๆจึงเป็นปัจจัยจะอวิชชาที่เกิดกก่อนปัจจุบันนี้เพะนั้นอวิชชาที่เกิดปัจจุบันนี้ก็จะไปสนับสนุนอวิชชาในอนาคต สนับสนุนแบบไหนทิธีเขาสนับสนุนทําให้ไหลไปตามพบตามพรมทำให้มืดบอดทําให้หลงทําให้ประกอบอยู่สร้างหูสร้างตาเจริญรันกันต่อปะไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูญพั น, นคนรไ้่กลัวศูญพันควรจะคุณจะเสื่อมจะกลับไปไม่ยอมใช้น้ำสกุลเดิมมีไหมถามทําไมไม่ใช้สี่อ่านมาไม่รู้ใสยใช้ น, นาำสกุลอะไรไปบ้างแล้วก็ไม่รู้ถ้าเป็นกระไรฉันมีน้ำสกุลไหมไม่มีน้ำสกุลเลย บางทีเขเรียกชื่อเปนทรงเดียดเชนะแล้วเขก็ไม่รู้จักแล้วว่าเรียกก็อะไรก็รู้เรียกปดีมนุษย์นะพอมาตั้งให้มนุษย์ยึดหูยึดมากเลยเมยตั้งปุ๊บยึดทันทีเลยนะี่ยใครเรียกชิดโกรธเขียนชิดจะโกรธโอ้โหเยอะยุ่งหลายแบบแล้วใส่คำหน้าคำหลังไม่ตรงกรดดีมั้ยมีหลายอย่างมีปัจจัยหลายัวบและเกิงเสร็งนี่ลักษณะเช่นี้ขนาดเรื่องธรรมดาธรรมดายังติดขนาดนี้นะ ก็จะไปแทะแทงตลอดในขันยิ่งยิ่งหน้าหนักใจใหญ่เลยภาะวะสภาวะนั้นเป็นธรรมชาติที่หมักดองหลายไปอยู่ในใ น, ในอัตภาพของตนในรูปประพบารูปประพบนิพพานวภาวะก็คือไหลไปนในความหิ้งผิดอวิชชาสภาะก็คือในความหลงความไม่รู้ตามความจริงก็โดยฐานะเป็นอุปนิสัยปัจจัยในการต่อเ ม, มอ ลักษณะยนี้คาที่เหลือก็เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ทั้งนั้นวาระนี้ท่านกล่าวไว้แล้วโดวยการแสดงปัจจัยของลิขานี้ที่เป็นประธานในบทปฏิจจังบาต ท, ทั้งหลายด้วยวาระที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นอันสําเร็จความที่สังสงสารมีที่สุดเบื้องต้นเนี้ยนต้นอันใัยตามรู้ไม่ได้แล้วสามารถตามรู้ได้ไหมไม่สามารถที่จะตามรู้ขันอตนาติณธาบในอดีต เงี่ยน ต, ต้นมันไม่รู้เลยว่ า, าท่านในยัตะนาธาตุในอดีตนั้นเป็นอย่างไรที่ท่านบอกว่าไม่รู้ในอะไรไม่ร well, ู้ในทุกไม่ร <Nam, S 1> 응ู้ในทุกขะสมูทัยไม่รู้ในทุกขะนิโรธไม่รู้ในทุกขะนิโรธคารมีปฏิปทาไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขะตัดไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เน่ยท่านในยัตะนาธาตุในอดีตเป็นมาอย่างไรอวิชชาผิดไหมอวิชชาที่ผิดเพราะมีอาชวะเป็น ตัดใจจนสมุทฐานเป็นประทัดฐานไม่รู้ในขันธอยตนะธาตุที่เป็นอนาคตพยากรณ์ได้ไหมว่าในอนาคตเราจะมีขันธอายตนะธาตุเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เราจะมีตาหูจมูกเช่นนี้เช่นนี้มันปกติดไม่รู้ขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีตและอนาคตนีไม่รู้ทั้งสองการเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทถ้าในที่นี้ไม่รู้อะไรไม่รู้กรรมบุต ไม่รู้อาหารไม่รู้อริยกักรไม่รู้ชรามาอไรนะไม่รู้ชาติไม่รู้พหะไม่รู้อุปาทานปัญหาเวทนาผัจจายตนานามโลกวิญญาณสังขารอวิชาอาสวะสิบหกวาระนี่ไม่รู้เลยอวิชาจะปิดอย่างนี้เขาเรียกไม่รู้อันไข่ตามตามไปไม่รู้ไม่รู้เบื้องต้นแล้วก็ไม่รู้ที่สุดลักษณะเช่นนี้คืออวิชาจะปิด นี่เขาติดหน้ากลัวกันถามว่าไม่รู้อย่างไรว่าไม่รู้อย่างนี้สิเพราะว่าการเกิดขึ้นแห่งอวิชามีเพราะการเกิดขึ้นแห่งอาสวะมันไม่รู้อย่างนี้บอกเอออวิชากเกิดขึ้นเพราะมีอาสวะเป็นปัจจัยถ้ารู้อย่างเรานี่ถือว่ารู้หรือยังอย่างนี้รู้อย่างอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นตามความเป็นจริงรู้แบบคำสอนว่านงเนี่น พราะต้องไปพิจารณาไปขย่าให้มากกว่านี้เนาะต้องไปสะเทาะให้มากกว่านี้เพราะการเกิดขึ้นข่งอาสวะการเกิดขึ้นอาอาสวะก็มีเพราะการเกิดขึ้นข่งอวิชาวิช า, าเป็นปัจจัยอวิชาเป็นปัจจัยแก่อาุสวะอธิบายดังที่กล่าววันนี้ที่สุดเบื้องต้นเนื่องต้นจึงไม่ปรากฏเงื่องต้นไม่ปรากฏที่สุดไม่ปรากฏด้วยนะเนามองลักษณะยนี้น่ากลัวอยู่อย่างนี้นนไปพิจารณานี้ไปกลัวอนะไรนี้ใครเนะี่ย พวกเราทั้งหลายอยู่กันอย่งมืดบอดไทถซี่อย่างไม่รู้เลยน า, นานาสัตตุอุลโลกนันนะไถเขาเรียกว่ายังไม่พ้นจากการเคารพนับถือศาสดาต่างๆในชาตินี้ในภพนี้เรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพขอกเงียนหน้ามองาศาสดาล่ําไปนะสักเลเดี๋ยวเราก็ไปนับถือศาสดาอืน่นโดยถือบุคคลอืน่นเป็นอาจารย์เป็นครูของตอนเองวิมิปาตาไถก็ถือว่าการไปเกิดที่ ไม่แน่นอนเมื่อตายจากโลกนี้แล้วไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นคมเป็นอมไบยศสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยจะสวยจะฉลาดตร ะ, ะตกูลต่ำตระกูลสูองอวัยวะขาดตกบกหร่องหรือสมบูรณ์ไม่รู้เลยนี่เขาเรียกว่าวินิ ป, ปาติหายประการต่อมาคือว่าอภัยภัยก็คือว่า ยังไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายศาสเดฐานศัสนาโลกนี้พวกเรานี่ยังไม่พ้นถูกห้องไว้ในใจเลยเนี่ยเรายังไม่พ้นจากการเกิดเป็นเป ร, รตเป็นศาสเดชานชยังไหมพอเห็นศาสเดชานก็บอกว่าสติของเราที่นอนของเรายังมียูพกพอก็พูดถึงเปรตบอกว่ายี่สิบสองยมพวกนี้เราจะเป็นพวกไหนนี่พูดถึงศัสนาโลกบอกโ อ, โอ้โหแดขุมใหญ่ๆแล้วอีกเยอะๆอีกนี่เลยกี่ขมุมเอานะ ถาว่านั่นคือที่ที่ๆของเราเนะี้ยจริงมที่พนะี่ในพวกเนื้อว่าเสียวอยู่นี่ยจบอกมานนิไปชื่นใจหน่อยเทว ด, ดาบางคนบอกว่าเอาแบบประเภทที่ว่าถ้าเป็นเปิดจะเป็นเกดิดแบบมีริมานไดนะ้ไหมเขยังรูอยู่เนะยครบคึ่งวันเนะี่ยบางคนบอกไม่เอาไม่เอาจะปฏิปัติข้อปฏิบททัติไปเรือยอย่างเงี้ยแต่ปากบองไม่เอา แบบว่าเภทไม่พูดไม่พูดเนียเขาจบแล้วบอกไม่พูดถ้าปาแข็งโอ้ไม่พูดไมูดเนนะอย่างนี้ทุจริตไทยพ้นไม่ยังยัมยังมีไหมที่จะทํากายทุจริตวิกีทุจริตมโนทุจริตทุจริตไทยพ้นไม่ยังเมื่อไม่พ้นทุจริตไทยอบายไทยคิดละพ้นไหมแต่คิดตรงนั้นไปแล้วครับเหตุการใดก็เรายังมีตายอยทุจริตวิกีทุจริตโดยเฉพาะมโนทุจริตในเช้ากับเช้ท้านนายคับแล้วี้ แค่ใจเลยคิดแค่โกรธแค่อาคตดเคยเฉยๆนี่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งแต่พยาบาทเทาพศเกรหรือเปล่พทาบาทเพศเกเรคืออะไรทุกขิที่เนะแล้วก็นาาททวกนในที่สุดจริงๆก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีโรคไ ท, ท้เจ็บก็มากนะบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเอยู่ดีๆก็าทาตัวเองให้เดือดร้อนเมอนกันนี่นะคือดูนเหมือนคนโง่เออเหมือนคนบ้า อยู่ดี ๆ, ๆก็เอา ม, มีดมาแทงตัวเองเล่นคนบ้าทําตัวเองได้ตรงนั้นแเลยใช่ไ้ยอยากจะแทงตัวเองเล่งก็ได้อยากจะเดินแก้ท่าก็ได้อยากจะทําอะไรได้ตรงนั้นทำสารพัดทํน า, าษษ น, นั่นแหละกุฎิชนก็คือคนบ้างพรอยู่ดีๆก็ไปประกอบพุทธิฤทธิ์ทำาปทํามาก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็ดูเหมือนขลังนี่เป็ น, น, นอย่าง น, นงี้เรายังไม่พ้นยช่นะพุทธิฤทธิ์ไทยโดยสรุปก็คือไทยสี่อย่างเนี้ไม่พ้นไหม ใ่คนนานาสัตว์ถูอุโรกันนะไทยไทยในการที่ต้องนับถือศาสดาอยู่ล่านไปวินิจายภัยไทยในการที่ไปเกิดไม่แน่นอนเลยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นคนสวยคนไม่สวยคนฉลาดหรือไม่ฉลาดหรือว่าตระกูลต่มตระกูลสูงเนี่ยพบุมไหนมันไม่มีความแน่นอนเล ย, ยเหมือนโยนไม้ขึ้นไปไม่รู้หัวเลยตายจะร่วงลงมาแล้วก็อตายภัยนี่ยังม่พ้นจากใบยภูมิโดยเฉพาะทิศจุฬาภัย ว่าจะไม่ว่าจะไม่ฆ่าสัตเล็กๆน้อยๆเธอทำได้ยังบอกคงไม่ได้ไร้แล้วเล็กๆน้อยๆแล้วนี่เป็นอย่างไงนพระการเกิดแห่งอาสวะเหล่านั้นเพราะอวิชชาเกิดเป็นต้นนั่นเองไม่ปรากฏเงื่อนต้นและเงืียบตายเป็นต้นวาระเหล่านี้ทั้งหมดตามมาปะทาวาระอาหารวาระทุกขวาระชรามรณวาระา่าวาระภวะวาระอุปาทานวาระปัญหาวาระ เวทนาวาระผักจาวาระสรายยตนาวาระนามรูปวาระวิญญาณวาระสังขารวาระอวิชาวาระอาสววาระรวมสิบหวาระปฏิรละได้ตายและในพระสูตรนี้ดังที่ได้พัฒนามานี้คือท่านภาษารีบที่กล่าวและสิบหวาระในจำนวนสิหกวาระตั้งแต่วาระแปดละวาระท่านวางไว้สองอย่างโดยอย่างย่อและอย่างพิสดารจึงเป็นสาสสองสถาน ท่านวางสแสดงอริยสัจสีอย่างย่อและอย่างพิสดารเอาไว้ด้วยเหตุนี้ในพระสูตรนี้อันพรเถระถได้ตรัสจัดสี่อย่างในสามในยีสิบสองสถานเหล่านี้เออเปนสามสิบสองสถานเหล่านี้ก็เถระแสดงว่าพระเถระได้กล่าวอรหัตไว้ถึงสิบหกสถานนะ่มองเห็นเนี่ยสิบหกสถานก็หมายความว่าเมื่อก็ดงแล้วเนี่ย ที่กล่วาวไว้แล้วโดยทฤษฎาในบรดาอย่างย่อและอย่างทฤษฎานนั่นเองแต่ตามมติของพระเถระทา่านได้กล่าวสัจจะสัจจะให้งสี่และมัดสี่ไว้ในสหสองสถานเท่านั้นอยู่คนบอกว่าถ้าพระเถระน่ยกล่าวไว้16สถานก็หมายเอาว่าอย่างทิษฎานเข้ไว้ใช่ไหมก็เป็นการประกาศอรหัตมรรม การเป็นพระอรหันต์ได้ถึงสิบหกครั้งแต่มตุของอาจารย์เถือได้พวกหนึ่งบอกว่ากล่าสจ่าสีจจส่ไว้เนี่ยและมัสสจ่งสี่ไว้สามสามจุดสองครั้งเหรอเพราะว่าไม่ว่าร่างนี้กราสองครั้งเนี่ยเมื่อก่าสองครั้งก็สา ม, มารถที่จะทุกคนฟังอย่างย่อบรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีสกาธาคาค า, า, าก็มีานาคาก็มีอรหันต์ก็มีกรายอย่างทุกษดานก็บรรลุเป็นพระโสดาสกาธานาคาและพระรหันก็มี อ่นนังหมายดูพวกขัานบรรลุกันนะคือขั้นกล่าวกันนี้มองเห็นด่วยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาการเรื่องการมบทเนี่ยเพราะการอย่างย่อบุคคลที่บรรลุเป็นพระโสดาบันกษัตริยานาคพระหลังฤๅษีได้ถ้าการอย่างทิสดารก็โสดาบันกษัตริยานาคแต่ถ้าหากตามมติแรกบอกว่าการอย่างย่อเนี่ยเป็นการกล่าวมากเบื้องต้นเขไว้การอย่างพิสดารนั้นเป็นกล่าว การกล่าวมากเอสพูดอย่างนี้ก็เลยบอกโอ้ได้อาราธนามาขึ้นสิสิบหกสถานท่านไม่พูดอย่างนั้นมองเห็ น, นีังไงตรงนี้นะอิทามาโอจายสมาสาริปุตโตมีเนสการเป็นรษ า, าลิบุ ต, ตุก า, ตต ส, าตตสมาที่จริงแรลพาไปด้วยเหตุหกสิบสี่อย่างคือด้วยการบรรยายสัจจะใสี่รวมสามสิบสองอย่างและบรรยายอาราถไว้สามสิบสองอย่างจึงรวมเป็นหกสิบสี่นะอริยัจ สี่สามสิบสองแล้วก็กล่าวในเรื่องของอารัธอีกสามก็เลยเป็นหกสิบสี่ทิสตุเหล่านั้นพอใจด้ดยพาันรทุนคมพาสุขของท่านพระสารีบุตรือระเมื่อกล่าในลักษณะเช่นนั้นแล้วจึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสูตรจบที่นี้ฉะนั้นตรรกก็คือว่าในสูตรสูตรนี้ท่านพระสารีบุตรได้แสดง ในการแสดงในสัมมาทิฏฐิสูตรนี่นะในมัคคิมานิไกในมัคคิมานิไกเี่ยในมูละพันนาพในพันนาแรกเนีนนเน่เป็นการกล่าววัตถุประสงค์ก็คือว่าทำสัมมาทิฏฐิิให้เกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าปุกภาพของสัมมาทิฏฐินั้นเน่ยพื้นฐานก็คือความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนาะคือการทําดีได้ดีทําชั่วแล้วก็ได้ชั่วน ส่วนวิปัสนษษาสัมมาทิฏฐิเนี่เป็นการพิจารณาเห็นรูปนามโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบรพชาไม่ได้ก็่เห็นในมิจลักษณะทุกคลักษณะและก็นักลักษณะของนามรูปของขันธ์แห่ถ้าพูดถึงโลกุกตระสัมมาทิฏฐิก็หมายถึงนในอริยมรรคเป็นความเห็นถูกต้องที่แท้จริงแท้จริงไหในที่นี้กล่าลวเลย การโลกุตระสัมมาทิฏฐินะเป็นความเหวีนถูกต้องแท้จริงเกิดขึ้นในขนาดไหนความเหวนถูกต้องแท้จริงนะในขณะที่มักเกิตรนะเป็นหนึ่งในองค์มัชฌิตรก็แปล ว, ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาชังกตาสัมมาวาจาสัมมากรรมกายสัมมาอาชีวะสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสม า, สม า, สม า, สมาทิจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในขนาะแ ห, ห, ห่งมัชหรือในมัชฌิต แค้โลกุตระสัมาทิฏฐิที่วัตถุประสงค์ที่ท่านพระจ่าพระสุราราพสายดีบุตรท่านพูดถึงนั้นน่ยเมื่อพูดถึงสัมมาทิฏฐิเรื่องตายก็ต้องโยงไปหาสัมาทิฏฐิเบื่องต้นด้วยไม่ว่าจะตรงนุทปัาสนาสัมมาธิฏฐิหรือการบูรพตาสัมมาทิฏฐิก็ต้องพูดถึงในสัมมาธิฏฐิท่านจัดก็จัดอยู่สามระดับเค่นั้นเองระดับต้นระดับกลางและก็ระดับสูงสุดคือโลกุตระ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมีสัามมาทิฏฐิเนี่ยผู้มีความเห็นถูกต้องสำหรับสัมมาทิฏฐินั้นเน่ยเป็นการพูดรวมทั้งปุปพพะริปัสตะาและก็โลกุตระนะแต่ถ้าหากว่านินใน ส, สูตรนี้ก็คือว่าเป็นโลกุตระอย่างเดียวก็พิจารณา ज ั त ि प มจ่ายไปดุขฆาจระไปดุขฆาวียดิไปดุขฆามรณะไปดุขฆมอะเปียสำพยโยโฎดุขโปย ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์ประลสมทบ ป, ประรกโมวัดกลางอนเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องสัมมาทิทีิสูตรครับท่านรู้ฟังที่เคารพครับ ท่านฟังสามารถติดตามรับฟังการบรรยายของท่านใต้จารในเรื่องต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีกับท่านทุกฝั่งทุกๆท่ทานสวัสดีครับิกนัส ตักร त ตตัทราบินันดินีเศยธีดัมกา त ตันหาบัณฑิตันหาวิบัณฑิตันหาดัมขโขป ตัมขูปานาภิกขะเวดุกขานิโรธมอาเรียสัตย์ตัมโยตสาตัหาเยอสิสบรากนิโร ध จักุปะิมิสสก มุตติยานาเลโย idam khopan bhikhave idam khopan b h i k निरोधगामिन n i r o d h อริยสัจชมอาเยเมวะอริโยอัตถังิโกมัคโกเสยติดัมสัมมาดิทิสัมมาสังคภะ สมมาวาจาสมมาคำมันโตสมมาอาโสมมาายมมมาสติสมมา ทำไม กุศลาม์ใจโยธรมมากุศลาโลภโขวัตชะอกุศลาอโลโกุล โอโซวบชัดอกุศลัอาโสดุศลัมมโหขวบชัดอกุศลัมอโมโหล ปานาติปาโตขโววัชกุสัลลัมปานาติปาตาเบระมานุสลลอดินนาา ขอวัชกุศลัมอดีห์น่าจานาเวรมันยกุศล कामेशु म ि् ठ ा च ा र ो खो व च ् छ अ कुसलम कामेशु मिठाचारा ् बेरमनी कुसलम มุสาวาโดข้วัชกุสลลัมมุสาวาดาเวรมังคุสล พิศูนยาวาจาข่มบัจฉักกุศลมพิศูยวาจายเบรมันกุล ภารุษาวาจาขโวบชะอัตุสลัมภารุษาวาจายะเวรมันีคุศ สัมภพลาโป ख โอบชะอุสลํัสัมภพลาाาเบระมานีอุสัลลอิา ख ้อว a ชชะอักุสันลมอาณาบิจจะกุสันลมวียาปะโดข้อวัชชะอักุสั กูสล้มมิจฉาดิกีกูวัชละกูสล้มสมมาตริกรีก ทิโกวัชช์ัสดห์หมอกุศลาดสดห์มกุ